ตอนที่สความเร็วของกายเหมือนจิตตอนนี้เองเราจึงคิดขึ้นมาได้ว่าเราควรจะไปถึงเมืองนั้นโดยวิธีใดดีคือโดยเดินไปหรือโดยลองใช้อำนาจจิตดูบ้างซึ่งเราจะได้เห็นความจริงด้วยตนเองว่าในโลกนี้ความคิดเป็นของมีอำนาจเพียงใดในเมื่อไม่มีกายเนื้อคอยทวงให้หนักและขัดพ่องเหมือนอย่างในโลกมนุษย์ เราจึงหันไปหาเอ็ดวินเพื่อขอความแนะนำในเรื่องนี้เพราะแม้เราจะรู้ถึงความจริงดังกล่าวมาแล้วดีก็ยังไม่เคยเทดลองให้ประจักษ์ด้วยตนเองดังนั้นเมื่อถึงคราวที่จะต้องลองกระทาบ้างจึงไม่ทราบว่าจะขึ้นต้นอย่างไรเอ็ดวินได้บอกเราว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ของยากพอเรารู้วิธีเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีปัญหาอย่างใด ข้อสำคัญประการแรกก็คือเราจะต้องมีความไว้ใจว่าเราจะต้องทำได้ประการที่สองเราจะต้องตั้งใจจริงๆคืออธิษฐานกิจให้แน่วแน่ไม่ใช่ทำเป็นเล่นๆหรือลองดูอย่างเชื่อเครื่องไม่เชื่อเครื่องพูดกันอย่างสํานวนโลกมนุษย์ก็คือเราจะต้องตกลงใจอย่างแนว่วแนว่ว่าเราจะไปที่นั่นให้ได้จะเป็นที่ไหนก็ตาม และในคลิปตาต่อมาเราก็จะไปอยู่ที่นั่นจริงๆในระยะแรกๆสามหรือสี่ครั้งอาจต้องกินเวลาสำหรับทำความพยายามเพื่อสํารวมใจให้แนวหน้าเสียก่อนไม่มากก็น้อยแต่ในระยะหลังเมื่อจิตของเราเกิดความคุ้นเคยต่อการฝึกหัดเช่นนั้นแล้วผลจะบังเกิดขึ้นเองในทันทีทันใดแทบว่าจะไม่ต้องใช้เวลาและกาลังใจแต่อย่างใดเลย เปรียบเหมือนอย่างว่าในขณะเมื่อเรายังอยู่ในโลกมนุษย์ขณะที่เราคิดว่าจะนั่งยืนหรือเดินหรือกระทําการอย่างอื่นๆเราก็สามารถจะนั่งยืนหรือเดินหรือทําการอย่างอื่นได้ในทันทีด้วยความเคยชินแทบว่าจะไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ําข้อนี้ฉันใดอํานาจของความคิดซึ่งมีอยู่เหนือกายทิพย์ในโลกนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อเกิดความเคยชินเสร็จแล้วขณะใดาที่เราคิดว่าเราต้องการจะไปที่ไหนในพริบตาต่อมาเราก็จะได้ไปอยู่หน้าที่นั้นจริงๆแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่งางทราบเป็นการหมายเหตุไว้สักเล็กน้อยก่อนว่าความสามารถเช่นนี้คงเป็นไปได้เฉพาะในภูมิชั้นแห่งโลกทิพย์ซึ่งเราเอาศัยอยู่ในขณะนี้เท่านั้น เพราะยังมีโลกทิพย์อีกหลายภูมิหลายชั้นทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าภูมิที่เรากลังเป็นอยู่ในปัจจุบันในภูมิชั้นแห่งโลกทิพย์อื่นๆดังที่กล่าวมานี้เราย่อมไม่สามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปได้โดยอิสระนอกจากในโอกาสพิเศษที่เรามีผู้คุ้มครองนําไปด้วยหรือในโอกาสที่เราได้ขยบสภาวะแห่งจิตของเราให้ประณีตสูงขึ้น จนสมควรแก่ภูมินั่นเช่นก่อนจึงจะผ่านเข้าไปได้โดยในนี้ความสามารถที่จะไปไหนได้ในพิพตานั้นจึงหมายความว่าสถานที่เหล่านั้นจะต้องอยู่ในอนาบริเวณของโลกทิพย์ในชั้นภูมิที่เราดำรงอยู่เท่านั้นเมื่อข้าพเจ้ากับรูตต้องการจะทดลองความจริงข้อนี้ดูบ้างเอ็ดวินได้กล่าวเป็นเชิงให้หายวิตกกังวลว่า สิ่งที่เราไม่ควรต้องกลัวอีกประการหนึ่งก็คือการหลงทางเพราะในโลกนี้แม้จะกว้างขวางและเป็นทิ่นที่เรายังไม่คุ้นเคยอย่างไรก็ตามก็จะไม่มีการหลงทางเกิดขึ้นได้เป็นอันขาดอันที่จริงการเคลื่อนไหวแบบนี้ข้าพเจ้าเองก็เคยได้ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนแรกที่ได้ละจากกายเนื้อมาใหม่ๆครั้งที่ข้าพเจ้ามากับเอ็ดวินผู้ไปรับ แต่การเดินทางครั้งนั้นก็ได้กระทำโดยการหลับตาและเป็นไปอย่างช้ากว่าปกติของชาวโลกทิพย์ทั่วไปมากเอ็ดวินได้กล่าวว่าการทดลองครั้งแรกๆนี้คงจะทำให้เราสนุกและตื่นเต้นวมชใช่น้อยและได้กล่าวย้ำว่าไม่ต้องกลัวอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยไม่ห่างจากเราไปเบื้องหน้ามีกอไม้เล็กๆ ก, กอนหนึ่ง คิดเป็นระยะทางของโลกมนุษย์ก็คงจะอยู่ในระยะประมาณสิบเ้นซึ่งเอ็ดวินแนะนำว่าในครั้งแรกนี้ให้เราทั้งสองอธิษฐานจิตว่าจะไปอยู่นาทีนั้นในครั้งแรกให้เราเพ่งไปที่กอไม้ก่อนนั้นให้แน่วแนะ่และถ้าเรายังรู้สึกตื่นเต้นมากจะจับมือกันไว้ก่อนก็ได้แต่ให้เราทั้งสองไปกันตามลำพังโดยเขาจะนั่งรออยู่นาทีเดิม รู้กับข้าพเจ้าคงจะมีความประหม่าและตื่นเต้นไม่น้อยเพราะเป็นเวลาครู่หนึ่งที่เราจ้องมองดูกอไม้ก่อนนั้นแล้วก็หันมาแลดูตากันพร้อมกับตั้งใจคอยอยู่ด้วยใจระทึกแต่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเริ่มต้นก่อนขณะที่เรากำลังภาวะระวังอยู่ด้วยความไม่แน่ใจนี้เองเอ็ดวินก็ร้องเตือน ข, นขึ้นในทันทีว่าอา้าไปสิ คำสั่งของเอ็ดวินดูจะเป็นเครื่องเพิ่มกำลังใจให้แก่เราได้อย่างศักดิ์สิทธิ์เพราะในพริบตาต่อมาเราก็รู้สึกตัวว่าได้มาอยู่ที่ก่อไม้นั้นเสียแล้วเราทั้งสองมองดูหน้ากันอย่างครึ่งประหลาดใจและครึ่งสนุกเมื่อหันกลับไปมองดูตามทิศทางเดิ ม, มก็เห็นเอ็ดวินกำลังโบกมือให้แกเราอยู่ไหวๆในทันใดนั่นเอง ก็มีอะไรบางอย่างแปลกระหลาดเกิดขึ้นเราต่างรู้สึกว่ามีแสงประหลาดสว่างวูบมาตรงหน้าพร้อมกันนั้นเราก็ได้ยินเสียงเอ็ดวินถามเราว่าการเดินทางของเราปลอดภัยและสนุกดีหรือไม่การได้ยินในที่นี้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้ยินเสียงนั้นโดยทางหูหรือโดยทางกระแสใจ เสียงเอ็ดวินยังคงดังต่อมาอีกว่าเขาใค่ให้เรากลับไปหาเขาโดยทำนองเดียวกันกับที่เราจากมาเราทั้งสองกาลังปรึกษากันว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของเอ็ดวินจริงหรือเปล่าก็พอดีได้ยินเสียงเอ็ดวินดังลอยมาอีกว่าเขาได้ยินที่เราปรึกษากันแล้วและขอรับรองว่าเป็นเสียงของเขาอย่างแน่นอน ซึ่งทำให้เราเพิ่มความประหลาดใจและดีใจมากขึ้นที่เห็นประจักษ์พยานแห่งอำนาจความคิดว่าเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เราจึงตกลงว่าจะกลับไปหาเอ็ดวินอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้พอเราอธิษฐานจิตในพริบตาต่อมาก็รู้สึกตัวว่าได้กลับมาอยู่ข้างเอ็ดวินตามเดิมเมื่อเราได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้ว เอ็ดวินจึงบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นอำนาจของความคิดในโลกนี้ได้อย่างดีประการแรกก็คือความเร็วของร่างกายเหมือนจิตซึ่งข้าพเจ้าก็อบรูดได้พิสูจน์ด้วยตนเองจนเห็นจริงอยู่ในาบัดนี้แล้วประการที่สองก็คือความสามารถในการส่งความคิดหรือกระแสจิตออกไปทั้งนี้เพราะว่า เมื่อเราสามารถตั้งจิตให้กายของเราเคลื่อนไหวไปได้ด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วฉะนั้นจะส่งกระแสะความคิดไปบ้างไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าอยู่หน้าที่ก่อไม้นั้นจึงสามารถได้ยินเสียงของกระแสะความคิดที่เอ็ดวินส่งมานั้นได้ไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกลสักปานใดโดยนัยะเดียวกัน เมื่อเราจะส่งกระแสะจิตของเราไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทิพย์นี้ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงด้วยความรักใคร่หรือจะเป็นการบอกข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามกระแสะจิตนั้นจะไปถึงผู้รับในทันทีเหมือนกันสภาวะของโลกทิพย์เป็นอย่างนี้ซึ่งหากท่านจะถามข้าพเจ้าว่าเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าก็คงจะตอบไม่ได้ เพมีปรากฏการณ์หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเรายังไม่อาจทราบเหตุผลได้ในขณะนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเพียงจะรับรู้ไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาหนึง่งซึ่งเมื่อเรามีจิตประณีตสูงขึ้นกว่านี้ก็จะทราบได้เองอย่างไรก็ตามในเรื่องการส่งกระแสจิตนี้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่า ดวงจิตของเราจะเป็นเหมือนหน้าหนังสือที่เปิดไว้อยู่เสมอให้ใครๆอ่านได้ตามชอบใจความจริงไม่ใช่เช่นนั้นในบางกรณีหากเราต้องการจะคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบเช่นนี้ก็ย่อมทําได้แต่โดยปกติหากเราปล่อยใจตามสบายให้ความคิดนั่นไปโดยไม่ได้ควบคุมไวเป็นพิเศษแล้ว ผู้อื่นก็อาจจะทราบกระแสจิตของเราได้ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือให้พึงระลึกอยู่สเสมอว่าในโลกทิพย์นี้ความคิดเป็นสิ่งที่มีตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งลอยๆไม่มีตัวตนหรือไม่มีอำนาจอันใดเช่นในโลกมนุษย์ณที่นี้ความคิดเป็นของมีอำนาจเป็นของที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย ความจริงเหล่านี้เราจะได้ประสบมากขึ้นทุกทีเมื่อเราอยู่นานไปและสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทุกทีซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีความลำบากอย่างใดเลยเพราะจะมีผู้ที่คอยแนะนำให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอยิ่งโดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องสะดวกมาก เพราะเอ็ดวินจะเป็นผู้คอยแนะนำและอธิบายให้อย่างใกล้ชิดการไปเยี่ยมเมืองในโลกทิฟขณะ น, นี้เราได้เข้ามาใกล้เมืองที่เห็นอยู่แล้วนั้นดังนั้นภายในเวลาไม่ช้าเราก็เข้าไปถึงตัวเมืองภายในเมืองมีอาาเขตกว้างขวางมากมีอาคารงดงามมากมายหลายแห่ง แต่ละอาคารมีสวนและต้นไม้ใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบความสวยงามและลานตาของสวนในเมืองนี้ยากที่จะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านเห็นจริงได้นอกจากจะกล่าวว่าสวนที่สวยที่สุดในโลกมนุษย์นั้นเมื่อ่าเปรียบกับสวนที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าห่างไกลกันมากจนบอกไม่ถูกเท่านั้นเองขณะที่เราเดินไปตามพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่ม น, นั้น ทำให้ข้าพเจ้าหวนระลึกไปถึงเมืองในโลกมนุษย์ซึ่งมีอาคารร้านโรงต่างๆปลูกติดกันอย่างแออัดถนนหนทางที่แคบและขรุขระและมีอากาศเม็นอับอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งนี้เพราะพื้นที่ในโลกมนุษย์มีราคามากนอกจากนั้นความคับข้างของยวดยานและเสียงอึกกระทึกต่างๆอันเกิดจากยวดยานบ้าง เกิดจากเสียงเอ็ดอึงอย่างอื่นอีกบ้างทำให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสภาพที่ให้ความเดือดร้อนได้อึดอัดยิ่งเชกว่าความสะดวกสบายชีวิตของชาวโลกมนุษย์เต็มไปได้วยความกระหืดกระหอบร้อนรนวุ่นวายต้องแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆก็จะมีคำเหมาไฟจากกล่องโรงงานเป็นเครื่องเพิ่มความราคาญให้ทุกขณะ แต่ในที่นี้เราเห็นสนามหญ้าอันเขียวขจีดุดสีมรกตขึ้นได้ระดับเรียบเสมอกันโดยตลอดณนะที่แห่งหนึ่งซึ่งดูมันจะเป็นกลางใจเมืองเราเห็นตึกหลังหนึ่งตั้งเด่นอยู่ที่ศูนย์กลางของทางหลายสายซึ่งมาบรรจบกันณนที่นั้นเบื้องบนจะลเห็นลำแสงพวยพุ่งลงมาที่ยอดโดมของตึกนี้ ซึ่งเราก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องให้เอ็ดวินบอกว่านี่คือบทนั่นเองบทซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเราโดยแท้บรรดาอาคารในเมืองนี้สร้างขึ้นไว้เพื่อความประสงค์หลายอย่างต่า ง, า ง, างกันที่เป็นไปเพื่อการศึกษาวิชาต่างๆก็มี และที่เพื่อส่งเสริมงานศิลปรกรรมก็มีอาคารและสาธารณสมบัติเหล่านี้เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปจริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะส่วนตัวและก็ไม่มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนตัวเลยทุกๆคนหรืออันที่จริงคือทุกๆวิญญาณสามารถจะศึกษาวิชาการต่อในแขนงที่เขาชอบ มาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตยอยู่ในโลกมนุษย์ได้ตามความสะดวกหรือมิฉะนั้นหากมีวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เขาไม่ได้มีโอกาสศึกษาตามใจชอบเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเหตุขัดข้องทางการอาชีพหรือทางการเงินหรือด้วยเหตุอื่นๆก็าตามเขาก็สามารถจะศึกษาต่อไปได้ในโลกนี้อย่างสมใจรักทีเดียว ศิลปกรรมภาพเขียนห้องแรกที่เอ็ดวินนำเราเข้าไปนั้นเป็นห้องสแสดงศิลปกรรมภาพเขียนห้องนี้เป็นห้องกว้างขวางมากมีภาพที่นับว่าเป็นชิ้นเอกของโลกมนุษย์แขวนเรียงรายอยู่ตามฝาผนังมากมายเรียงตามลำดับความเก่าของภาพนั้นๆคือภาพใดที่เขียนแต่ยุคต้นๆก็เรียงไว้ก่อน แล้วต่อมาจึงเรียงภาพที่เขียนในรุ่นหลังๆเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันเนื่องจากมีบางภาพในรุ่นหลังๆนี้ซึ่งข้าพเจ้ากับรูธเคยเห็นมาก่อนแล้วเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เราจึงได้บอกเอ็ดวินว่าเราได้เคยเห็นต้นฉบับหรือตัวจริงของภาพจำลองเหล่านี้มาแล้วเมื่อก่อนที่จะมาสู่โลกนี้แต่เราต้องได้รับความประหลาดใจอย่างไม่ดึกไม่ฝัน ที่ได้ยินเอ็ดวินบอกว่าภาพต่างๆในโลกนี้แหละคือตัวจริงส่วนภาพที่เราเห็นในโลกมนุษย์ทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าจิตรกรได้เขียนขึ้นมาด้วยมือเขานั้นล้วนเป็นภาพจาลองทั้งสิน้นเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะเข้าใจหรือปลงใจเชื่อได้เอ็ดวินดูจะเห็นใจในความรู้สึกของเราครั้งนี้ดีอยู่จึงได้อธิบายว่า ก่อนที่จิตรกรจะลงมือเขียนภาพอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นภาพนั้นๆจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในห้วงลึกของเขาก่อนและตอนนั้นเองที่ภาพของเขาจะปรากฏณที่ตรงนี้แต่เมื่อเขาลงมือเขียนภาพไปได้จริงๆน้อยนักที่จิตรกรผู้นั้นจะเขียนภาพออกมาให้มีความงามสมบูรณ์ดังเช่นที่ตนคิดฝันเอาไว้ ทางนี้เพราะเหตุต่างๆหลายประการทางวัตถุและร่างกายเช่นวัตถุที่ใช้ทาสีไม่มีคุณภาพดีพอที่จะทำให้ได้สีสดเหมือนกับภาพในร่วงนึกหรือผืนผ้าใบไม่มีเนื้อละเอียดพอและเหตุอื่นๆอีกนอกจากนั้นเมื่อการร่วงไปความงามของภาพนั้นๆก็ย่อมร่วงโรยตามไปด้วยอำนาจแห่ลงลมฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและสึกหรออยู่เป็นนิส่วนภาพในห่วงนึกของเขาซึ่งปรากฏณที่นี้จะคงสดใสยอยู่ในสภาวะเดิมเช่นนั้นตลอดไปนี่เป็นเครื่องแสดงว่าภาพที่เราเห็นอยู่หน้าเบื้องหน้าเรานี้นอกจากจะเป็นภาพต้นเขาไม่ใช่ภาพจำลองแล้วยังเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนภาพบนผืนผ้าใบในโลกมนุษย์อีกด้วย ข้อบอกพร่องในภาพนั้นๆที่อาจมีขึ้นได้แก่ภาพในโลกมนุษย์จึงไม่ปรากฏมีขึ้นตามภาพจริงๆณที่นี้ได้เลยทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าหากภาพในความนึกฝันของกิตประกรทุกๆคนจะต้องมาปรากฏอยู่ณที่นี้เสมอไปแล้วเราจะหาสถานที่สำหรับไวภาพเหล่านั้นได้อย่างไร จึงจะเป็นการเพียงพอกันกับจํานวนของภาพซึ่งเกิดมีเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จักจบสิน้นเพราะการที่จะคัดเลือกเอาตามใจชอบเป็นบางภาพเพื่อเก็บไว้ตามอําเภอใจของใครคนหนึ่งณที่นี้ดูออกจะขัดกับหลักความเสมอภาคในโลกนี้อยู่มิใช่น้อยในเรื่องนี้เอ็ดวินได้ชี้แจงให้เราฟังอีกตามเคยว่า ปัญหาเช่นนี้ก็มีผู้สงสัยอยู่มากเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะเมื่อจิตรกรผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นดีหรือชั้นสามัญหรือชั้นฝึกหัดอย่างไรก็าตามได้ผ่านเข้ามาสู่ที่นี้แล้วความเห็นผิดอันเกิดจากมานะซึ่งอาจจะมีอยู่แต่เดิมบ้างนั้นจะหมดไปทันที เขาจะตัดสินคุณค่าภาพของเขาอย่างเคร่งครัดจริงๆโดยไม่เข้ากับตนเองเพราะผู้เป็นเจ้าของภาพจะรู้สึกอยู่บ่อยๆว่าภาพของตนยังไม่ดีพอถึงขนาดจึงต้องการทำลายเสียมากกว่าที่จะเก็บไว้อวดผู้อื่นผลก็คือว่าแทนที่จะมากเกินไปดังที่เราคิดกันอยู่ก็กลับมีน้อยไปเสีอีกหนังสือประวัติศาสตร์ เราได้ออกจากตึกนี้ไปยังตึกอีกหลังหนึ่งซึ่งมีความกว้างขวางไม่น้อยเช่นเดียวกันตึกหลังนี้เป็นที่รวมศัพระตำราต่างๆเช่นวรรณคดีและประวัติศาสตร์เป็นต้นที่น่าสนใจมากก็คือตำราประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งเราจะได้ความเป็นจริงของเหตุการณ์ทุกๆระยะอย่างแท้จริงเพราะในที่นี้ไม่มีการบิดเบือนความจริงเกิดขึ้นได้ ดังเช่นตำราประวัติศาสตร์ในโลกมนุษย์เลยณที่นี้ท่านจะรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆของโลกได้ตามความเป็นจริงโดยไม่มีสิ่งใดเครือบแฝงในหนังสือประวัติศาสตร์เหล่านั้นนอกจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอันนับเป็นส่วนสามาัญของวิชาประวัติศาสตร์โดยทั่วไปเราจะรู้เห็นเจตนารมณ์ซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังการกระทํา และสันดานของบุคคลใหญ่โตทั้งหลายในประวัติศาสตร์อีกด้วยว่าบุคคลเหล่านั้นมีเจตนาบริสุทธิ์หรือชั่วร้ายจริงดังคำพูดโฆษณาและการกระทำของเขาที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หรือเปล่าข้อนี้เองเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดเพราะเราจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่เจตนาลมของบุคคล ผู้พลิกประวัติศาสตร์หรือสร้างประวัติศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นหาได้มีเจตนารมอันบริสุทธิ์หรือชั่วร้ายดังที่กล่าวอยู่หรือดังที่ปรากฏภายนอกนั้นไม่ณนะที่นี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรอดพ้นจากความจริงไปได้เลยไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนสามัญไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวในสายตาของโลกมนุษย์ และไม่ว่าจะได้รับความทุกข์ความสุขอย่างไรจากการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่นจะปรากฏอยู่ครบบริบูรณ์และถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือนความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่มีการตกแต่งให้ไพเราะจะเป็นโดยเพื่อเอาอกเอาใจผู้เป็นใหญ่หรือจะเป็นโดยเพื่อปิดบังความจริงไม่ให้คนขั้นหลังรู้ก็าตามทั้งหมดนั้น มีแต่ความจริงที่เป็นเนื้อแท้ล้วนๆไม่มีการวิจารณ์ต่อเติมแม้แต่น้อยเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นคือประวัติศาสตร์ทางการเมืองส่วนประวัติศาสตร์ของฝ่ายศาสนาก็มีจารึกไว้เช่นเดียวกันเมื่อได้สำรวจดูโดยทั่วไปแล้วก็ได้พบความจริงที่น่าสังเวชว่าความเป็นไปในวงการคณะสมนี้ โดยเนื้อแท้แล้วก็หาได้มีความเป็นไปอันสูงส่งกว่าของฝ่ายคาราวาแต่ประการใดไม่อันที่จริงน่าจะเรียกว่าเลวร้ายเสยยิ่งกว่าฝ่ายคาราวาสเสยด้วยซ้ำเมื่อคิดถึงว่าผู้ที่ครองความเป็นใหญ่ทรงกิจทีิคุณอันสูงส่งอย่างในสายตาของชาวโลกมนุษย์บางท่านสามารถจะทำการชั่วช้าเลวทามได้ขนาดนั้นน่าสังเวชใจ ที่ท่านเหล่านั้นเบื้องหน้าฉากก็ดูเป็นผู้ฝากฝ่ายในศีลธรรมแต่เบื้องหลังกลับยอมตนเป็นเครื่องมือของคนเลวสามบางจะพวกได้อย่างน่าละอายยิ่งเอ็ดวินได้กล่าวเตือนข้าพเจ้าอยู่เหมือนกันก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ศึกษางานในด้านประวัติศาสตร์นี้เขาคงเกรงว่าข้าพเจ้าจะพบความจริงอันน่าสังเวชเกินไปอาจทาให้จิตใจไม่เป็นปกติก็ได้ ในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความจริงอยู่บ้างเพราะถ้าทั้งที่ข้าพเจ้าได้รู้ล่วงหน้าอยู่บ้างแล้วก็ยังอดมีจิตใจไม่ปกติในเมื่อได้ศึกษาและเห็นความจริงอันน่าตกใจและชวนให้สังเวชโดยไม่มีสิ่งใดเครือบแฝงซึ่งต้องทำให้ประสบความผิดหวังในความนับถือและความเชื่อเก่าๆมากถึงเพียงนี้การศึกษาวิชาการต่างๆในที่นี้ กระทำได้อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระเต็มที่ประการแรกก็คือการเป็นอิสระจากข้อขัดข้องทางร่างกายเช่นความหิวกระหายความเมื่อยขบทางร่างกายและทางสมองประการที่สองก็คือไม่ต้องคํานึงถึงความล่วงไปของเวลาเรามีสิทธิ์และความสามารถที่จะดําเนินการค้นคว้าไปได้ตราบใดที่เรายัางพอใจ และเราจะหยุดเสียเมื่อใดก็ได้ตามปรารถนาจำนวนหนังสืออันมากมายที่วางประดับประดาอยู่ตามชั้นต่างๆนับไม่ถ้วนเป็นเครื่องแสดงความเอาใจใส่ในการค้นคว้าหาความรู้ของชาวโลกดีได้เป็นอย่างดีในบรรดาหนังสือเหล่านั้นมีหนังสืออยู่ประเภทหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือไทคิดไซเซ์ซึ่งปรากฏ ว, ว่ามีอยู่มากมายเหลือเกิน วิชาการฝ่ายหญิงที่กล่าวมาแล้วนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายมากเกินไปอันที่จริงวิชาการฝ่ายหญิงในโลกนี้ก็มีให้ศึกษาอยู่อย่างพร้อมมูลเหมือนกันเพราะในห้องต่อๆไปเราก็ได้เห็นผ้าสีต่างๆสีมีขนาดและลวดลายแปลกแปลกตาหน้าดูหน้าชมตลอดจนถึงผ้ามา่ากซึ่งมีดอกในเนื้อหรือแทบสตรี ซึ่งใช้ประดับฝาผนังพ้องล้วนมีลวดลายวิจิตต่างๆกันข้าพเจ้าไม่มีความสามารถจะบรรยายให้ท่านทราบในเรื่องนี้โดยละเอียดได้จึงต้องขอกล่าวสั้นๆว่าวิชาการของฝ่ายหญิงและเครื่องมือเครื่องประกอบต่างๆมีไว้ใช้สำหรับคู่ไฟใจศึกษาอย่างครบครันตลอดจนถึงครูผู้เชี่ยวชาญในการสอน ซึ่งจะยินดีสอนให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งรู้กล่าวว่าในภายหลังเธอจะต้องมาฝากตัวศึกษาวิชาในทางนี้อย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้ใครขออยู่ร่วมทางกับเราไปพลางๆก่อนเอ็ดวินได้บอกว่าเธอจะมาเรียนเมื่อใดก็ได้ตามปรารถนาและเธอจะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นการเองและด้วยความเต็มใจยิ่ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในที่นี้การทํางานเป็นความสุขของทุกๆคนการทําประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นความปรารถนาของชาวโลกทิพย์ทั้งปวงในที่นี้รับรองว่าไม่มีการบังคับให้ทําทั้งโดยทางตรงหรือโดยทาง อ, อ้อมทุกๆคนจะเลือกศึกษาวิชาที่ตนสนใจและทํางานที่ตนรักได้โดยเสรีหลายท่าน ที่ข้าพเจ้าได้พบปะและสนทนาด้วยในภายหลังได้แจ้งความจริงข้อนี้ให้ข้าพเจ้าทราบด้วยความปิติยินดีเขากล่าวว่าขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้นเวลาแห่งการกระเสือกกระสนทำมาหาเลี้ยงร่างกายได้แย่งความสุขของจิตใจเช่นนี้ไปเสียหมดฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าท่านเหล่านั้นจะรู้สึกเลิดเพินและเป็นสุขสเพียงใด ในเมื่อได้มีโอกาสทำงานและศึกษาวิชาที่ตนรักได้โดยอิสระเช่นนี้หลังจากที่ได้ดูความเป็นไปในตึกนี้พอสมควรแล้วเอ็ดวินได้ชวนให้เราออกมานั่งเด่นที่สนามหญ้าภายนอกเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เสียบ้างเขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้ากับรูดเป็นผู้สงบใจได้ดีโดยที่ไม่ได้มีความรู้ล่วงหน้ามาแต่ก่อนเลย ผู้อื่นมักจะมีความตื่นเต้นจนระงับไว้ไม่อยู่และมีเรื่องซักถามไม่ค่อยได้หยุดเมื่อเราทั้งสองได้ยินเอ็ดวินเอ่ยเช่นนั้นก็นึกขึ้นมาได้จึงบอกแกเขาว่าอันที่จริงเราก็มีเรื่องสงสัยอยากจะซักถามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบจะขึ้นต้นถามเรื่องอะไรก่อนดีเท่านั้นอาณาเขตของโลกทิพย์ ความสงสัยประการหนึ่งของข้าพเจ้าก็คือเรื่องอนณาเขตของโลกทิพย์ที่เราอยู่ในปัจจุาบันนี้เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นน้ํารู้สึกว่าแลดูไกลออกไปสูดสายตาโดยรอบได้อันที่จริงสายตาของเราในขณะนี้ก็สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าสายตาของมนุษย์แม้จะเป็นในขณะที่อากาศในโลกมนุษย์แจ่มใสปลอดโปร่งที่สุดก็าตาม ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่าอาณาเขตของโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล ส, สักเพียงไหนเพราะที่เราแลายเห็นได้หรือได้ไปเห็นมานี้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยหรือเกินยิ่งคิดไปก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยขึ้นทุกทีว่าโลกทิพย์นี้จะมีขอบเขตบ้างหรือไม่ถ้ามีจะอยู่ที่ไหนและพ้นจากนั้นไปจะเป็นอะไรกันแน่เรื่องนี้เอ็ดวินได้ให้คาตอบแกเราว่า อนณาเขตของโลกทิพนี้ต้องมีอยู่เป็นแน่และเราจะไปดูเมื่อใดก็ได้ตามความปรารถนาส่วนที่นอกเหนือจากอนาเขตนั้นไปก็คงเป็นโลกทิพชั้นอื่นๆ อ, อันประเนี่ยขึ้นไปกว่านี้ก็มีและที่หยาบกว่านี้ก็ยังมีการที่บุคคลแต่ละคนจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพภูมิไหนหลังจากที่ได้ละกายเนื้อมาแล้วนั้น ก็สุดแล้วแต่กรรมของตนที่สะสมไว้ในโลกมนุษย์จะอยากหรือละเอียดเพียงใดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาจะได้อยู่ในโลกทิพย์อันต่ำหรือสูงเพียงใดก็สุดแล้วแต่ความอยากหรือประนีตแห่งจิตของเขานั่นเองเพราะดินแดนอันเป็นทิพย์เหล่านี้แหละคือผลแห่งกรรมอันบุคคลได้หวานไว้ในโลกมนุษย์ ซึ่งกรรมนั้นๆได้มาออกผลรอคอยบุคคลนั้นๆอยู่ตามภูมิอันสมควรแก่กรรมของเขาณที่นี้อันที่จริงยังมีภูมิแห่งโลกเทพที่สูงและประณีต ก, กว่าภูมิที่เราอยู่นี้อีกมากนักความงามและความสงบสุขของภูมิเหล่านั้นก็มีมากกว่าภูมิของเราอย่างมากมายในภูมิเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถจะเข้าไปได้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร คือเมื่อเราได้ขาดกล่าวจิตของเราให้ประณีดขึ้นจนสมควรแก่การเลื่อนขึ้นไปสะก่อนหรือไม่ก็ในกรณีพิเศษเป็นบางครั้งที่เราจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวในฐานะผู้ไปเยี่ยมเยียนซึ่งทางนี้ก็ต้องได้รับอนุญาตและต้องมีผู้คุ้มครองนำเข้าไปเป็นพิเศษด้วยแต่ถึงแม้โดยปกติเราจะเข้าไปไม่ได้ก็ตาม ท่านที่อยู่ภูมิทรงสูงขึ้นไปเหล่านั้นก็มักจะมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างเหมือนกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนแก่เราตามสมควรและด้วยเหตุนี้เอ็ดวินจึงคิดว่าเราอาจขอคำแนะนำจากท่านเหล่านั้นได้เรื่องเกี่ยวกับความประสงค์ของข้าพเจ้าที่ใครจะทำการติดต่อกับชาวโลกมนุษย์ส่วนในภูมิต่ำหรือหยาบ ก, กว่าเรานั้น เราก็อาจจะไปได้เช่นเดียวกันโดยมีเจ้าหน้าที่ของภูมิดังกล่าวจะคอยให้คำแนะนำและความคุ้มครองอยู่เป็นอย่างดีซึ่งในเรื่องนี้เราก็ได้ตกลงกันว่าจะต้องไปเยี่ยมเยียนให้ได้สักครั้งหนึ่งทั้งภูมิที่สูงกว่าและต่ำกว่าเรานั้น